ว่าเซลฟี่เนี่ยนะมันเป็นคำภาษาฝรั่งนะแล้วก็มาถึงเมืองไทยนะไม่เกินสิบปนะีแต่เดี๋ยวนี้นะใครๆก็รู้จักนะเซลฟี่เนี่ยว่ามายถึงอะไรแม้แต่คนแก่นะก็รู้นะแล้วไม่ได้รู้อย่างเดียวนะทำด้วยนะทำากันทั่งเป็นวัฒนธรรมเลยเวลาไปกินข้าวไปเที่ยวที่ไหนนะก็ ถ่ายรูปนะตัวเองฉากหลังคือสถานที่ที่น่าเที่ยวอาจจะถ่ายคู่คนอื่นด้วยก็ได้และถ่ายเสร็จเนี่ยเก็บไว้ก็ไม่ใช่เซอฟีนะมันต้องเผยแพร่ไปนะทางโทรศัพท์มือถือก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละถ่ายแล้วก็เผยแพร่ไปด้วยนะทางโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก k Instagram, ไลน์นะถ่ายแล้วไม่เผยแพร่นี่มันก็ไม่เรียกว่าเซลฟี่นะเพราะจุดประสงค์ก็ต้องการเผยแพร่ให้คนรู้นะก็เป็นความต้องการที่จะอวดนะอย่างหนึ่งนะไอเดี๋ยวนี้เซลฟี่มันก็เป็นวัฒนธรรมที่แพร่ไปทั่วโลกนะทุกประเทศทุกทวีปเนี่ยนะไม่มีใครไม่รู้จักเซลฟี่ แต่มีประเทศหนึ่งนะที่เซิฟี่กันหนักมากนะเรียกว่าเป็นชนชาติที่เซิฟี่กันอย่างจริงจังมากนะมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นั่นคือประเทศจีนนะว่าคนจีนนี่เขาเซิฟฟี่กันหนักจริงๆนะเป็นเรื่องจริงเรื่องจังมากที่ไหนนะที่มี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมมันาจะเป็นวัดเป็นวังเป็นหน้าผาเป็นภูเขาหรือแม้แต่ร้านอาหารนะที่มีชื่อเสียงเนี่ยคนยนวนมากกว่าแห่กันไปนะแห่ไปเพื่อจะได้ถ่ายเซลฟี่คือถ่ายรูปตัวเองโดยมีฉากหลังเป็นสถานที่ หลายแห่งเนี่ยก็เลยต้องจัดสถานที่ให้ถ่ายเซอฟี่โดยเฉพาะเลยแล้วพอคนพอใครรู้ว่าที่นี่มีคนถ่ายเซอฟี่กันเยอะก็ต้องไปบ้างนะไม่ให้เสียหน้าหรือว่าเพื่อจะได้อวดว่าฉันก็ไปเหมือนกันอันนี้ก็ทำมานานแล้วแต่ตอนหลังเนี่ย น, ะน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แล้วะ หรืออยู่ที่ฉากหลังนะตอนหลังนีนน้น้ำหนังอยู่ที่รูปร่างหน้าตาคนถ่ายหรือคนที่เซลฟี่นะคือว่าจะต้องออกมาสวยดูดีและจะดูดีได้เนี่ยนะมันไม่ใช่อาศัยฉากหลังไม่ใช่อาศัยแสงเงาอย่างเดียวนะ มันต้องอาศัยแอปด้วยนะในการตกแต่งภาพที่ออกมาเดี๋ยวนี้แอปเนี่ยในที่ใช้กันในเมืองจีนนี่มีเยอะมากนะแล้วก็เป็นที่นิยมมากเวลาถ่ายเซลฟฟี่เนี่ยประเภทที่ส่งไปโดยที่ไม่ผ่านแอปตกแต่ง ภาพหน้าตานี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าถ่ายปุ๊บส่งปั๊บเลยเนะี่ยต้องมีการตกแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือซะก่อนใช้แอปนี่หลายชนิดมากเลยเพราะว่าบางชนิดก็เน้นเรื่องผิวทาให้ผิวสวยบางชนิดก็เน้นที่เรื่องหน้าตาเรื่องคิ้วเรื่องปากเรื่องจมูก เดี๋ยวนี้มีแอปนะเพิ่มความสูงนะของคนถ่ายนะเพราะว่าถ้าสูงสักหน่อยนะออมันจะดูดนะีนะเดี๋ยวนี้นี่ใช้เวลากันมากทีเดียวนะในการตกแต่งภาพเซลฟี่เนะี่ยอย่างเมื่อห6ปีก่อนมีเฉลี่ยนะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการตกแต่งภาพแต่ละภาพ แล้วเดี๋ยวนี้นะไม่ได้ตกแต่งภาพของตัวเองเดียวนะถ่ายคู่กับใครเนี่ยก็ต้องตกแต่งภาพของคนที่เราถ่ายคู่ด้วยนะเพราะถ้าไม่ตกแต่งภาพของคนที่เราถ่ายคู่เนี่ยขึ้นโพส facebook i n s t a g r a m นี่เขาโกรธ น, นะเพราะว่ามันจะไม่สวยเขารู้โซ่มันไม่สวยไม่น่าเผยแพร่ไปเลยจะเผยแพร่ได้นี่ต้องตกแต่ง ภาพของคนที่เราถ่ายคู่ด้วยก็หมดไปอีกนะ 20-30 านาทีอันนี้ก็ถือวเป็นเรื่องมารยาท น, นะไม่รู้เมืองไทยมีแบบนี้หรื อ, อยังนะแต่เมืองเมืองจีนนี่ทำกันแบบนี้มาหลายปีแล้วมันมันก็ว่าเวลาเราเห็นคนเห็นเพื่อนแต่งตัวไม่เรียบร้อยเช่นลืมรูดซิปหรือว่ากลัดกระดุมนะไม่ตรงเนี่ย ควที่เราจะบอกควที่เราจะเตือนเพื่อให้เขาเนี่ยดูดีนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมารา ย, ยาทขึ้นมาว่าเนี่ยจะแชร์ภาพของใครที่เราถ่ายเซิร์ฟี่คู่ด้วยเนี่ยนะปล่อยไปไม่ได้นะก็ต้องตกแต่งซะก่อนไม่ไงั้นเขาโกรธนะว่าทำให้ภาพของเขาเนี่ยมันดูไม่ดี เพราะว่าภาพนี่พอแชร์ไปแล้วนี่มันก็จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆถ้าภาพมันออกมาไม่ดีก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่อับอายไขยหน้าโกรธกันเลยก็มีนะและดีนี้นี่นะเราจะถ่ายภาพใครนะก็จะไม่ยอมง่ายๆเขาจะถามกันว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นไหนถ้า iPhone ถ้าใช้ iPhone ถ่ายคานี้โอเคนะแต่ใช้ถ้าใช้ โทรศัพท์นะราคาถูกๆเนี่ยนะหรือว่ารุ่นต่ำๆนี่เขาไม่ยอมนะจะถ่ายรูปเขาได้นี่ต้องถ่ายด้วยกล้องที่มีคุณภาพและเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นเลยนะั้นที่ขายในจีนนี่จะต้องเน้นนะกล้องที่ถ่ายเซลฟี่ได้ดีได้เนียบนะเนียบนี้ไม่ได้ไหมายต้องตรงตามความเป็นจริงนะ จะเพี้ยนบ้างก็ได้นะแต่ขอให้มันสวยแล้วกันนี้จะขายดีเพราะในนี้เนี่ยคนจีนเนี่ยนะซึ่งที่จริงก็ไม่ใช่ประเทศจีนเดียวนะหลายประเทศเลยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องภาพเซลฟี่มากนะแล้วก็จะต้องมีการตกแต่งกันอย่างจริงจังนะเมืองไทยไม่รู้เป็นยังไงแต่เมืองจีนนี่อย่างที่บอกนะ ภาพไหนที่ยังไมไ่ตกแต่งด้วยแอปนี้ไม่มีการส่งนะไม่มีการโพสต์ขึ้น f a c e b o o นะเพราะว่ามันจะไม่สวยนักสินที่เกิดขึ้นคือว่าภาพเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏทาง i n s t a g การ Facebook ของคนจีนนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคางคล้ายๆกันจมูกคล้ายๆกันตาสองชั้นผิวคล้ายๆกันเลยนะก็ แต่คนก็ไม่สนใจนะขอให้ฉันสวยแล้วกันคราว น, นี้เนี่ยมันก็หนักกว่า น, นี้แล้วนะคือภาพสวยเนี่ยแต่ว่าตัวจริงไม่สวยเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ตรงกับปกนี่เขาก็ไม่ไม่พอใจแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยภาพสวยยังไม่พอนะตัวจริงก็ต้องสวยด้วยนะั้นทำยังไงนะก็ต้องตกแต่งหน้าแล้ ว, วนี่โอเดี๋ยวนี้เรื่องการตกแต่งหน้านี่เป็นเรื่อง เป็นเรื่องใหญ่กันเรื่องหนึ่งนะที่หนุ่มสาวนะชาวจีนนี่ให้ความสําคัญมากแล้วก็ตกแต่งได้ทุกอย่างนะสัญญกรรมใบหน้าสัญญกรรมพลาสติกมีนักข่าวคนหนึ่งนะัแกก็อยากจะลองดูนะว่าหน้าตาของเธอเนี่ยน่าจะตกแต่งสัญญกรรมพลาสติกเนี่ยมันต้องตกแต่งอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนก็ไป เข้าคลินิกเสริมความงามนะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่รู้เป็นหมอป่ะโอ้แนะนำให้ทํโน่นทานี่เนี่ยสิบกว่าอย่างเลยนะทั้งกรามทั้งคางนะกรามนี่ไม่สวยนี่ก็ต้องตัดนะต้องผ่าจมูกตานะแล้วก็ปากเรียกว่า สิบกว่ารายการเลยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนี่ก็เป็นล้านนะสามหมื่นดอนลลาร์เนี่ยมันก็เป็นล้านนะนี่เฉพาะใบหน้านะแล้วก็เฉพาะส่วนหลกัหลกๆนละ้วไม่ใช่เติมรายละเอียดเรื่องเดยนี้มันเป็นแฟชั่นมากแล้วใครที่ไม่ได้ทําสัญยกรรมนี่รู้สึกอับอายสิ่งที่น่าสนใจคือคนที่ไปทําสัญยกรรมนะส่วนใหญ่นะหน้าตาก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ายังดีไม่พอ เพราะว่าเอาตัวเองไปเทียบกับพวกดาราเพวกไอดอล น, นั้งหลายเวลาจะไปผ่าตัดใบหน้านี่ก็ต้องเอาภาพไอดอลที่ตัวเองชื่นชมบไปด้วยไม่รู้เป็นพวกดารานักร้องแบ็คพิงก์อะไรไหรือเปล่านะน่าสนใจนะคนที่ต้องการเสริมส่งเสริมหน้าตัวเองนี่ก็หน้าตาก็ดีอยู่แล้วแล้วคนนี้เป็นคนที่ทุกข์มากนะเพราะว่าจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของตัวเองเห็นแต่ความขี้เหร่ของตัวเอง ทั้งที่หน้าตาก็ดีอยู่แล้วอันนี้เป็นหรือนี่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคนที่หน้าตาดีเนี่ยเขจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขี้เละมีข้อตําหนิกเกี่ยวกับหน้าตาของตัวเองคิดอย่างนี้เนี่ยเกเเลยแปลว่าอะไรนะแปลว่ายิ่งอยากสวยนะมันก็ยิ่งทุกข์พอเห็นความไม่สวยของตัว แล้นี้คนก็เลยเป็นทุกข์มากนะทั้งที่สวยอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยพอสักทีเราทำให้ต้องเปือเงินเปืองทองมากให้ความอยากนี่ก็น่ากลัวนะเพราะว่ายิ่งอยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นสิ่งตรงข้างกับความอยากแล้วก็ทำให้ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้ลบไอ้สิ่งหลานั้นออกไปนะอันนี้ถ้าคนไทยเนี่ยนะถาว่าไปไหลาตามกระแสนะต่อไปเนี่ย ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เป็นคนที่จะสร้างภาพมิเดียนะไอ้ภาพนี่มันจะมาบงการชีวิตเรานะทําให้อยู่ไม่สุขนะต้องทําน้นทนํานี่เสียเวลาเปล่าการสร้างภาพแต่ภาพนี่มันกลายเป็นนายเราไปซะและ้วนะเสียเงินเสียทองไปก็เพื่อภาพสุขทุกขเศร้าโศกเสียใจเพราะภาพภาพมันกลายเป็นนายบงการชีวิตเราไปแล้ว เพราะอะไรเพราะว่าคิดแต่จะไปสร้างภาพนั่นเองยิ่งอยากสร้างภาพเท่าไหร่ภาพนั้นแหละก็มาบงการชีวิตเราให้เราต้องรู้เท่าทันนะจะไปติดยึดหลงไหลาภาพรักมากเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นนายเราเราจะกลายเป็นท่าของมัน